จเจริญพรท่านทั้งมีเจตเมตตากรรมนาใจบุญใจกุศลทุกทุก ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสองสิงหาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนคือเป็นวันแม่พักคุณแม่ และคุณพ่อมีความสาคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ก็จะไม่มีพวกเราพวกเราเกิดมาได้ก็เพราะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กําเนิดแล้วก็เลี้ยงดูมาจ น, จนเจริญเติบโต จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้พ่ะคุณของคุณพ่อคุณแม่นี้เจึิยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าที่เราจะสามารถชดใช้ทดแทนให้หมดไปได้ถึงแม้เราจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีจนถึงวัยวันสุดท้ายของชีวิตของท่าน พระคุณที่ละท่านให้กับเรานี้ยังใช้ไม่หมดถ้าอยากจะใช้หมดก็ต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทดแทนพระคุณของพระพุทธมารดาได้หมดสิ้นเพราะพระองค์ได้ออกบวชแล้วก็ได้ตัดสรตวเป็นพระอาหารหันต์ตสมมาสามพุทธเจ้า พอได้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีความรู้ความสามารถที่จะติดต่อสั่งสอนพระพุทธมารดาที่ได้ไปจุติไปเกิดอยู่ในสวรรค์สามารถสั่งสอนจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งผู้ที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว จะหลุดจากการต้องไปเกิดในอบ า, ายไม่ว่าจะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงรอยก็ตามพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบ า, ายไปชดใช้กรรมอีกต่อไปก็จะมีเหลือชาติภพชาติอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะทดแทนบุญคุณของบิดาและมารดาได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเรายังไม่มีความรู้ความสามารถที่จะ สอนให้บิดามาดามีดวงตาเห็นทำได้สิ่งที่เราเพึงมที่จะกระทำได้ก็คือควรลำาลึกถึงพระคุณของท่านอยู่ทุกวันมีธรรมเนียม ว, ว่าเวลาที่เรากราบพระเราก็ต้องกราบพ่อกราบแม่ด้วยเวลากราบ พรเสรนะ็จแล้วเราก็กราบพ่อกราบแม่ไม่จําเป็นว่าท่านจะอยู่กับเราหรือไม่เรากลาบที่ใจกลาวเพื่อที่เราจะได้ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมออยู่เรื่อยเพราะถ้าเราไม่คอยล้ำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เราก็จะลืมได้ เมื่อเราลืมแล้วเราก็จะไม่ได้ทาความตอบแทนบุญคุณแก่บิดามารดาเราก็จะกลายเป็นคนอักตันยอยู่ไปเป็นคนที่ลืมบุญคุณของบิดามารดาเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงผู้อื่นคิดแต่ จะหาความสุขใส่ตัวเท่านั้นลืมคนที่มีพระคุณที่ให้กำเนิดแก่เราแต่ถ้าเราหมั่นกรบาบไหากรบาบไ่ว้บิดามารดาทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาไหว้พระเสร็จก็กราบพ่อกลบแม่เพื่อเราจะได้ลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ น, นเย็นก่อนนอนกอบผ้าแล้วก็กอบพ่อกับแม่ให้ลำเลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้มีความปรารถนาความอยากที่จะทดแทนบุญคุณการทดแทนบุญคุณก็คือเราถ้าเราทำได้ก็ควรที่จะ เลี้ยงดูท่านถ้าท่านยังเลี้ยงดูตัวเองได้อยู่เราก็หาข้าวหาของหาเงินหาทองมาให้ท่านได้ใช้ให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายอย่าให้ท่านอยู่ทุกข์ยากลำบากกว่าเราเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่อย่างทุกข์ยากลำบาก อย่างนี้ถือว่าไม่ควรถือว่าไม่ได้ทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อกับแม่แล้วเราก็ต้องมีความเคารพต้องมีความเชื่อฟังไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรเราควรที่จะฟังเพียงอย่างเดียวเพราะพ่อแม่ของเรานี้ท่านเปรียบว่าเป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกลูก เวลาที่พ่อแม่พูดอะไรก็เหมือนกับการแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนลูกๆเวลาลูกได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ควรจะฟังด้วยความเขาร้งด้วยความสงกไม่ว่าฟังแล้วจะถูกใจหรือไม่ก็ไม่ควรแสดงกิริยาอาการอะไรต่างๆควรนั่งฟังไปเฉยๆ แล้วจะเชื่อไม่เชื่อจะทำตามได้หรือนนไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาที่พ่อแม่พูดไม่ควรที่จะตอบโต้ไม่ควรจะถกเถียงจะพูดอะไรก็ต้องรอให้พ่อแม่หยุดพูดก่อนแล้วขออนุญาตถ้าท่านม่อนุญาตให้พูดก็ไม่ต้องพูด เราต้องยกท่านไวเหนือเสียงกร้าวของพวกเราไม่ควรที่จะถกเถียงตอบโต้หรือดุดาว่ากล่าวตักเตือนปิดามัรดาถ้าท่านไม่ถามก็ไม่ต้องบอกถ้าท่านถามท่านต้องการความรู้จากเราเราถึงจะบอกได้นี่คือฐานะของลูกกับพ่อกับแม่ มีความต่างกันพ่อแม่เป็นบุคคลที่สูงกว่าเราเราเป็นผู้ต่ำกว่าพ่อแม่เราจึงไม่มีฐานะที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนดุดา่าพ่อแม่หรือโต้เถียงกับพ่อแม่เรามีหน้าที่รับฟังเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ท่านสอนที่บอกให้เราทำ ถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถ้าเราทำได้ก็ควรจะทำเพราะจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแต่สิ่งที่ท่านพูดท่านสอนนั้นถ้าผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่ต้องทาตามเพราะกฎหมายและธรรมนี้มีความสำคัญกว่าคำสอน ที่ไม่ถูกของพ่อของแม่แต่เราไม่ต้องไปโตเถียงแต่อย่างใดฟังแล้วก็หยุดไปเช่นพ่อแม่บอกให้ดื่มสุรายาหมาอย่างนี้เราไม่ต้องทำตามก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรานี่คือวิธีที่เราควรจะปฏิบัติ กับพ่อกับแม่ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะเป็นลูกกระตันอยู่คนเราจะดีหรือไม่ดีนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่ว่ามีความกระตันอยู่หรือไม่มีความกระตันอยู่ถ้าไม่มีความกระตันอยู่ก็จะเป็นคนดีไม่ได้เพราะว่าจะไม่คิดถึง ความรู้สึกจะไม่คิดถึงบุญคุณของผู้อื่นของผู้ที่มีบุญคุณจะคิดแต่หาประโยชน์สุขใส่ตนเองเพียงอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขก็ขอให้เรามีความกตัญญูกะตะเวที ล้ำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อมีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณก็ควรที่จะรีบตอบแทนทันทีเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะอยู่กับพ่อกับแม่นี้จะมีมากมีน้อยอาจจะต้องจากกันไปในวันใดวันหนึ่งก็ได้ ขอให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถึงแม้พระพุทธมารดาได้สเสด็จสวรรคตไปหลังจากที่ได้ครอบเจ้าชายสิทธัตถะมาเพียงเจ็ดวันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงลืมบุญคุณที่ทรงให้กำเนิดแก่พระองค์พอพระองค์มีความรู้ความสามารถที่จะตอบแทน ต่อพุทธมารดาได้พระองค์ก็ทรงเรงญาณติดต่อกับพุทธมารดาที่ประทับอยู่บนสวนและทรงสแสดงธรรมจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอวายนี่คือเรื่องที่เราควรที่จะให้สำคัญ เท่าเท่ากับชีวิตของเราเลยทีเดียวนะเพราะว่าชีวิตของเราก็ได้มาจากบิดามารดานี้เองดังนั้นชีวิตของเรากับบิดามารดาจึงมีคุณค่าเท่าๆกันมีความสำคัญเท่าๆกันถ้าเราให้ความสำคัญแก่ชีวิตของเราเท่าไรเราก็ควรให้ความสำคัญ แก่ชีวิตของพ่อของแม่เท่านั้นนี่คือการปฏิบัติตัวของเราให้มีความสุขและมีความเจริญ mm hmm. คุณของพ่อของแม่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องรำลึกอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่รำลึกเราไปทำงานทำการไปทำเรื่องทำราวต่างๆ เราก็จะลืมบุญกุศของพ่อแม่ได้แล้วเราก็จะมาเสียใจในภายหลังเวลาที่พ่อแม่ตายจากเราไปแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเสียใจแต่ถ้าเราเหมั่นทำหน้าที่ของเราตลอดเวลาเวลาพ่อแม่ตายจากเราไปเราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจ นี่คือเรื่องของวันแม่วิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อกับแม่ได้ก็คือการปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพราะพ่ อ, พอแม่นี่ต้องการให้พวกเราอยู่อย่างสงบอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุข อยู่อย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโทษการที่เราจะอยู่กันอยา่างสงบอยู่อย่างกันอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเราก็ต้องปฏิบัติตัวของเราให้ดีนั่นเองการปฏิบัติตัวของเราให้ดีนั้นเราก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำทานอยู่เรื่อยๆ ให้เรารักษาศีลไม่ให้ทำบาปแล้วก็ให้รักษาใจเราให้สงบให้สะอาดอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงอย่าให้มีความอยากต่างๆถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เราก็จะเป็นคนที่มีแต่ความสุขมีแต่ความนุ่มเย็น เพราะการกระทาทั้งสามนี้เป็นวิธีที่จะทาให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นกันสุดนั่นเองเช่นการให้ทานนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นและเมื่อเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วจิตใจของเราก็จะได้รับความสุขกลับมานี่คือธรรมชาติของใจถ้าให้ความสุขแก่ผู้อื่น ใจก็จะมีความสุขถ้าให้ความทุกข์แก่ผู้อใจก็จะมีความทุกข์เช mm ่นถ้าเราไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดไปเลยนีก่หกหลอกลวงเศพสุรายามา mm hmm. ก็จะทำให้ใจของเราไม่สบาย mm hmm. เวลาที่เราไปทำให้ผู้อค่เาเดือดร้อน ให้เขาเกิดความทุกข์ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ทุกข์ก็กลัวว่าจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมเวลาเราทำบาปแล้วใจของเราจะไม่สบายใจของเราจะเดือดร้อนจะวิตกกังวลเราจึงต้องไม่ทำบาปต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างนี้ร่มเย็นเป็นสุด ไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องไปใช้กรรมเช่นไปติดคุกติดตารางไปถูกลงโทษด้วยวิธีการต่างๆถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้วก็จะไม่มีโทษตามมาถ้าเราทำบุญเราก็จะมีความสุขเช่นเราช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นเ้าเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ทำไปพอเราทำแล้ว เราก็จะมีความสุดเราไม่ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่มีความดีเราควรที่จะช่วยเหลือทุกคนที่เขาเดือดร้อนถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขา พาไปหาหมอหรือหายามารักษาแม้แต่ตํารวจเวลาที่ไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กันผู้ร้ายถูกยิงบาดเจ็บตารวจก็ยังต้องจับส่งผู้ร้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะนี้เป็นเรื่องของมุตมนุษยธรรมมนุษย์เราทุกคนนี้ต้องการที่จะอยู่ อย่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เดือดร้อนถ้าขาดปัจจัยสีก็จะเดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยและจะตายได้ดังนั้นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะดีหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าจะช่วยมากไปกว่า น, นั้นก็ควรที่จะช่วยคนดี อย่าไปช่วยคนไม่ดีเพราะจะทาจะส่งเสริมให้คนไม่ดีมาทำความเสียหายให้แก่ผู้แต่ช่วยให้เขาพอมีชีวิตอยู่ได้ให้เขาเจ็บหายจากโรคไัยไข้เจ็บอันนี้ช่วยได้แต่ไม่ต้องช่วยมากไปกว่า น, นั้นถ้าอยากจะช่วยมากกว่า น, นั้นให้ช่วยคนที่ทำความดีเขาจะได้มีกำลังใจ เขาจะได้มีปัจจัยที่จะทําให้เขาได้ทําความดีต่อไปเช่นเราทําทานกับมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิร่วมกตจั น, นยูปอเต็ตึงเขาทําความดีด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราก็สนับสนุนเขาอย่างนี้ก็จะทําให้เขามีกําลังใจและมีปัจจัยที่จะทําความดีต่อไปแต่ถ้าเรา ไปสนับสนุนพวกที่เป็นคนโกงคนไม่ดีก็เท่ากับการไปส่งเสริมให้เขามีกำลังใจที่จะทำไม่ดีทำความชั่วต่อไปเราก็ต้องแยกแยะ ก, การช่วยเหลือว่าถ้าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมเป็นเรื่องของการช่วยเหลือให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อันนี้เราก็ควรจะช่วย ม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ช่วยเวลาที่เราเห็นสุนัขหรือแมวไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็เอามาเลี้ยงดูเขาอันนี้ก็เหมือนกันการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้จะทำให้จิตใจของเรามีความเมตตา ม, มีความการุณาจะทำให้ใจของเรามีความสุขและเวลาที่ เราเดือดร้อนในภายภาคหน้าเราก็จะมีผู้อื่นมาช่วยเหลือมาดูแลเราเพราะนี่เป็นธรรมชาติของคนเราของสัตว์ทั้งหลายในเรื่องนี้เวลาที่เราเห็นผู้ที่เขามีพระคุณกับเราเดือดร้อนถ้าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็อยากจะช่วยเหลือ แต่คนที่ไม่มีบุญคุณกับเราเราก็จะรู้สึกเฉยเฉนี่คือเรื่องของการทำความดีทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เรามีมิตรมีผู้ที่จะคอยคุ้มครองดูแลรักษาเราในยามที่เราตกทุกข์ยากลาบากแล้วถ้าเราไม่ไปทำบา เราก็จะไม่มีศัตรูถ้าเราไปทำบาปเราก็จะมีศัตรูเวลามีศัตรูนี้ก็จะทำให้เรานี่ต้องอยู่อย่างลำบากยากเย็นจะต้องอยู่อย่างหวาดภาวาหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะเกิดจากศัตรูแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่มีศัตรู เราก็จะไม่มีภัยต่างๆแล้วถ้าเราสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เรายิ่งจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายทุกวันนี้ที่เราอยู่กันเฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะว่าใจของเรายังมีความโลภมีความอยากอยู่ เรามีอาหารรับประทานพอแล้วมีที่อยู่อาศัยแล้วร่างกายสุขสบายแล้วแต่เราแต่ใจของเรากับไม่สบายกับไม่สุขเพราะใจของเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยากจะไปทำนั่นทำนี่อยากจะมีนั่นมีนี่แล้วถ้าเราไม่สามารถไปทำได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือถ้าเราอยากจะทำ ล้าเราต้องไปหาเงินหาทองมาทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเราก็อาจจะต้องไปทําบาปทํากรรมไปทํดดาททผิดกฎหมายคนที่ทําผิดกฎหมายทําบาปทากรรมก็เพราะว่าเขาไม่สามารถหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทําตามความอยากได้ด้วยวิธีที่สุจริตเช่นทํางาน แล้เงินเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นมาบางคนก็หาโดยวิธีง่ายก็คือไปทำผิดกฎหมายไปค้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไปลักขโมยไปช่อโกเพื่อที่จะเอาเงินมาทำตามความอยากแต่ถ้าเราควบคุมความอยากได้ควบคุมความโลภได้เราก็ไม่ต้องไปหาเงิน ถ้าไม่มีการทำเราก็อยู่บ้านเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนวิธีที่จะทำให้ใจของเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆได้เราก็ต้องนั่งสมาธิเราต้องควบคุมความคิดของเราอย่าปล่อยให้ใจของเราคิดไปเรื่อยๆเพราะเวลาคิดแล้วก็จะเกิดความอยากตามมาถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้มีความอยาก วิธีที่จะวควบคุมความอยากควบคุมความคิดเราก็ต้องใช้ความคิดที่คิดไปในเรื่องอื่นเช่นคิดในคําพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเราบริกรรมพุทโธไปได้เรื่อยๆเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่มีความอยาก เราก็จะอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่มีเงินทองออกไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆเราก็จะไม่เดือดรอ้อนเราจะมีความสุขมากกว่าการได้ออกไปเที่ยวเสียอีกว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วพอกลับมาความสุขนั้นก็หายไปความอยากออกไปเที่ยวก็จะกลับมาใหม่ความทุกข์ก็จะตามมา แต่ถ้าเราควบคุมความคิดความอยากได้ใจของเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปดิ่นรนไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ทำตามความอยากนี่คือวิธีที่เราจะรักษาใจของเราให้มีความสงบให้มีความสุขความสุขที่ได้จากการทำความดีความสุขที่ได้จากการไม่ทำบา ความสุขที่ได้จากการควบคุมความคิดควบคุมความอยากนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขที่ได้จากการไปทำสิ่งต่างๆได้เป็นได้เป็นนั่นเป็นนี่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะจะไม่มีความพอนั่นเอง ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไลก็ยังไม่พอยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ว่าจะได้ทำอะไรมามากน้อยเพียงไลก็ตามก็จะไม่พอก็ยังอยากจะทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถทำได้เช่นไม่มีเงินทองก็จะทุกข์แล้วถ้าทนทุกข์ไม่ไหว ก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำแต่ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้ก็จะต้องทุกทรมานไปแต่ถ้ารู้จักทาใจควบคุมความคิดได้เวลาร่างกายไม่สามารถทำอะไรได้ใจจะไม่ทุกข์ ใจจะอยู่เฉยๆได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เดือดไม่เดือดร้อนจะมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะสบายหรือไม่สบายอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำกันให้มากๆทำความสุขให้กับจิตใจโดยการที่ไม่ต้องไป มีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้ทำบุญให้ทางทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่ไปทำบาปไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็คอยควบคุมใจของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ไม่ให้คิดให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วชีวิตของเรานี้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะไม่มีความวุ่นวายใจนี่คือการปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีให้อยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่เห็นเราอยู่แบบนี้พ่อแม่ก็จะมีความสุขถ้าเราพ่อแม่เห็นเราเป็นคนที่ชอบเที่ยวเต่ ชอตดืสุลายาเมาชาบทำบาปทากรรมก็จะทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจมีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเราเป็นคนดีก็จะทำให้พ่อแม่มีความสุขใจมีความสบายใจก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วเพราะไม่มีอะไรที่พ่อแม่ต้องการจากลูกนอกจากให้ลูกๆนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมาลํำลึกถึงพระคุณของคุณแม่และคุณพ่อนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ